กับตัวเองว่า เ, เราสามารถรู้ว่าเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนที่ปลูกเรือนให้กับความหลงให้กับในการสร้างภพชาติให้กับตัวท่านเราเห็นแล้วว่าใครนในข้างปลูกปลูกเรือนรู้จักแล้วรู้จักในข่านแล้วในข้างคนนั้นจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปถ้าเปรียบเหมือนกับทางโลกก็เหมือนคล้าย ถ้ามีคนคนหนึ่งเนาะเขาอยากจะได้บ้านสักหลังเขาก็มีความอยากที่อยากจะได้บ้านคือมีปัญหาเกิดขึ้นนะก็ไปขอให้ติดจ้างสถาป น, น, นิกให้ออกแบบแฟรนบ้านให้เนะมื่อได้แฟรนบ้านนะก็คือการออกแบบก็คือการคิดปรุงแต่งนะการคิดปรุงแต่งสร้างวิมมาต่อจากความอยากที่มีนะ ก็เกิดเป็นสังขารการปรุงแต่งต่อเขาไปจ้างนะยุทศวกรจ้างคนงานมาสร้างแขนงตามแบบที่ตัวเองต้องการเมืนะ่อมีสังขารทุ่ปรุงแต่งต่อแล้วก็นะไ ป, ส ร, นะปนะสร้างเป็นพบสร้างเป็นพบเป็นภูมิตรงนั้นให้มันต่อเนื่องให้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นนะก็เป็นตัวบ้านเขาไปเนะมื่อสร้างเสร็จ ตัวเองก็เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นก็เป็นยึดถืออยู่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเราพบนี้ที่สร้างนี้เป็นพบของเราก็การจปมีตัวตนเป็มีอุปทานอยู่ในสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นนั่นเป็นเรียกว่าเป็นวงจร ท, ที่เรียกว่าสืดเนื่องต่อเนื่องนนกันเนาะเมื่อมันมีความอยากมันก็มีการปรุงแต่งต่อมีการสร้างพบ สร้างภูมิขึ้นแล้วก็มีอุปท า, านที่ไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในภบคูมนั้นต่อเนื่องไปเหมือนกับเรามีความอยากมีการสร้างบ้านก็ไปไปจ้างให้สถาปนิกออกแบบให้ไปจ้างให้ พ, ออบบใหใหพิศวกรสร้างให้แล้วก็เข้าไปอยู่ในภบภูมินั้นนี่แหละคุณพระฤาษีท่านเห็นว่าในจิตของเราเนีมีการสร้างสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นเส้นนั้ น, น, น มีการสร้างภพสร้างภูมมีการปตงแต่งเปในจิตของเราเป็นเช่นนั้นเองการที่เรารู้เท่าทันตั้งแต่ความอยากที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราได้มันจะทําให้เรียกว่ามันหยุดแค่ความอยาก ม, ม, มันมีแค่ความอยากมันไม่ต้องไปปุงแต่งต่อก็ได้น ะ, นะมันก็หยุดแค่ความอยากแค่รู้ว่ามันอยากเกิดขึ้นไม่ไปปรุมต่อคือไม่เพิ่มสังขารด้วยไปก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางที อาจะเผลอเข้าไปนะเผลอเข้าไปคิดกรุงแต่งต่อเป็นมีสังขารแล้วเหมือนคล้ายๆเราไปจ้างสถาป น, น, นิกเขาออกแบบให้แล้วแต่บางทียับยัง้งเครืงใจได้รู้มันไม่จําเป็นมันก็แค่เป็นแผลเฉยๆเป็นแดดเฉยๆไม่ต้องไปจ้างเขาสร้างต่ออีกก็ได้ขึ้นเดียวกันก็หยุดแค่ตรง น, นั้นก็มีแค่แผนก็เป็นการประหยัดประหยัดไม่ต้องไปซิ้นเปลืองมากหยุดแค่ตรง น, นั้นก็ได้นะ บางทีมันรู้ไม่เท่าทันความอยากก็ตัดการปรุงแต่งก็ได้เมื่อมันปรุงแต่งเรารู้เท่าทันที่การปรุงแต่งก็ดับที่ความปรุงแต่งนั้นก็ได้นะหรือบางทีมันอาจจะเผลอไปนานกว่นั้นอีกเมืม่อปรุงแต่งต่อแล้วก็เกิดเป็นการสร้างพบฟูขึ้นมาเกิดเป็นการกระทำขึ้นในจิตนะหรือบางทีกระทำออกไปทางกายด้วยเป็นคำพูดเป็นการกระทำะก็ดีนะเป็นการสร้าง เรียกว่าไปจ้างวิศวกรในการสร้างแบบบ้านสร้างแล้วซึ่งมารูเท่าทันตอนนั้นว่าเออเราสร้างพุกตั้งภูมิแล้วเนะเราก็ละก็ตัดจากตรงนั้นก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเข้าไปอยู่ก็ได้หรือบางทีมือสร้างเสร็จแล้วเข้าไปอยู่แล้วไปยึดแล้วรู้เท่าทันตอนที่ไปยึดรู้เท่าทันตอนที่มันพุกแล้วก็ออกจากตรงนั้นก็ได้บางทีเนี่ย การปรุงแต่งหรือว่าวงจรที่ ท, า ท, าาาทําให้เกิดเป็นความทุกข์มันเริ่มจากนี่แเริ่มจากตัญหาที่จริงถ้าจะพูดจริงจูกก็เริ่มจากอวาิชาก็คือความไม่รู้ความหลงไปในจิตนี่แมันทําให้เกิดเป็นปัญหาเป็นสังขารเป็นการสร้างครอบคลุมเป็นอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นเก็ไปกลายเป็นความทุกข์มันเรียกว่าเป็นวงจรที่ทําให้เกิดเป็นความทุกข์ เรารู้เท่าทันได้ที่ตจำไหนเราก็ตัดที่จำนั้นนะให้จําเป็นว่าจะต้องเรียกว่าจะต้องห้ามให้ได้เด็ดขาดต้องระ ไ, ได้ตั้งแต่ตอนต้นๆมันก็แล้วแต่บางทีมันก็รู้เร็วบางทีมัก็รู้ช้านะมันก็เป็นเรื่องของความรู้เนี่ยเราเราบังคับไม่ได้แต่เราก็สามารถรู้เท่าทันได้รู้เท่าทันตอนไหนก็ระกัตอนนั้นแหละนะเนี่ยการสร้างครอบครูเป็นจิตของเรา มันก็เป็นเรื่องที่หน้าที่ของเราตัวที่จะเข้าไปรู้ในการสร้างพวก ค, คือเรื่องของเรื่องของปสตินี่แหละมีความที่จะเข้าไปรู้บางทีอาจไม่รู้ก็ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรในภาษาบาลีในภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรไม่สําคัญนะไม่สําคัญหรอกแค่รู้เท่าทันก็พอหลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบว่าอย่างวงจรสติจะ ส, สมบาเนะี่ยมันมีเรียกว่าตั้งแต่สวิชาเจอตัานสมุทุก มันมีสิบเอ็ดบสอขั้นมันมีเยอะแยะมากบางทีเราไม่ต้องไปรู้ว่าเขาเรียกชื่ออะไรก็ได้มันคล้อยใจทั้งเดืียมเหมือนคล้ายเหมือนเราขึ้นไปบนยอดไม้บนต้นไม้ที่สูงสุดพอเผลอพังพาดมือจับกิ่งไม้ไม่ได้ขาส่วนจากกิ่งไม้มันตกลงมาจากต้นไม้มันตกลงมาแล้วมันไม่มันแทะเดืียมก็ถึงคื้นแล้วน บางทมันไม่รู้เราก็ผ่านจริงไหนบ้างเนี่มันผ่านมาอย่างรวดเร็วตกตุ่มคืนล้บางทีแค่ความไม่รู้แค่ความหลงเกิดขึ้นมันก็เกิดกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางทีเหมือนกับเราคิดแป๊บเดียวคิดขึ้นมาแป๊บเดียวล็อกหางเสียใจดีใจเนี่ยมันแบบมีความรวดเร็วของของจิตนี่มันมันเร็วมากนะเร็วยิ่งกว่แสงเร็วยิ่งเกว่าเสียงต่างๆ่างเนี่ยมันดเร็วมากแค่คิดปุ๊บก็ไปถึงครับ เหมือนกับตั้งใจบางทีเราคิดถึงบ้านระยะทางจากกรุงเทพถึงที่นี่ก็เป็นร้อยสักกิโลคิดแป๊บเดียวก็ไปถึงนะคิดไปถึงนอกโลกก็สามารถคิดได้นะบางทีคิดย้อนอดีตเป็นทางมิชชีกลับเข้าไปก็ได้คิดไปอนาคตก็ยังได้จิตของเรามันสามารถมันรวดเร็วมากนะคิดเรื่อยรดเร็วมากเหมือนกับตบต้นไม้มันเร็วมากบางทีมันไม่ต้องไปรู้ก็ได้ว่าเรียกอะไรแต่แค่เรา คอยดูเท่าทันที่ตอนในปัจจุบันนี่แหละนะคอยมีสติในการรู้เข้าทันตายรู้เข้าทันใจของเรานะบางทีเรารู้เท่าทันใจของเราที่มันเกิดความคิดกลมแกล่อก็ได้นะหรือบางทีบางคนอาจจะพอมักไปดูจิตใจหรือว่าคอยสังเกตจิตใจนะอาจจะหลงได้ง่ายเพราะว่ามันมีเยื่อใยมากนะจิตใจนี่มันมีเล่ห์เหลี่ยมมันมีสิ่งที่ล่อให้ขนหลง มันเห็นเฉยมันไม่พอมันเห็นแล้ว อ, อยากจะเข้าไปคุกเข้าอยากไปทุกคีต่างๆเหมือนกับอาหารที่มันมีทั้งความหอมมีความอร่อยมีมีทั้งการปรุงแต่งที่รูปร่างภายนอกก็ชวนให้คนอยาก จ, จะเข้าไปลิ้มรองบางทีจิตของเราก็แบบนั้นแหละนะมันมีรสชาติมันมีสีสันมันมีเรียกว่าสิ่งยื่อยๆวนแยะมันทีคนเข้าไปรู้ไม่ได้รู้แล้วเข้าไปหลงทุกทีเลยก็ ตองเรว่าถร อ, ออกมาก่อนบานะงทีรู้ใจรู้สิตยังไม่ได้รู้กายก่อนก็ดีนะเพราะกายนิ่งเป็นเป็นอาการหรือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยมีสีสันเท่าไใดนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งหยาบหยาบก็ไนดะ้เป็นกายที่เคลื่อนไวหวหยาบหยาบยืนเดินนั่งนอนขูดเหยียดเคลื่อนไหวนี่แหละมันไม่ค่อยมีสี ส, สันทำให้คนเป็นจิตหรอกบางทียิ่งทาให้หน่าเลื่อเลยทําเหมือนไม่มีอะไรนะ แต่มันก็น่ า, นาดูนะมันน่าดูมันน่ามันน่าศึกษาดูสิกายที so ed, ่สมัยม okay. ันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวจากอะไรนะมันคู่เกิดจากอะไรมันก็สืบเนื่องสัมพันธ์ทิ่จิตของเรานี่เองขับมาเห็นนที่จริงเราทํานั่นทํานี่เราคิดนั่นคิดนี่นะมันสืบเนื่องกันความคิดกับการทําทมันสืบเนื่องกันนัะเราก็คอยสังเกตสังเกตกายสังเกตใจของเราสังเกตกายไปเรื่อยๆนะ มันมีสมาธินะกายที่มันทำอะไรในรูปแบบเดิมๆเนี่ยจะเดินจงกรมก็ดีจะยกมือตั้งจังหวดก็ดีนี่มันเรียกว่ามันมีสมาธิอยู่ในนั้นเพราะว่าเราใส่ใจจดจ่อในการทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันเป็นสมาธนะิสมาธิไม่ใชแ่แค่การนั่งนั่งหลับตาแค่การนั่งนิ่งๆหรือ าการต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวกนะารที่เราอยู่กับหมู่เพื่อนการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสมาธิในการกระทําการงานนั้นๆอันนั้นเรียกว่าสมาธิมีจิตใจที่จดจ่อในการทําสิ่งนั้นอย่างต่อนเนื่องอันนั้นอะเรียกว่ามีสมาธิเราโดยจงคงจิตใจจดจ่อ <c oughs> อยู่กับการเดินนะเราทานข้าวจิตใจจดจ่ออยู่ ก, การทานข้าวเราสวดมนต์คาวัดจิตใจ จะเจาเข้าเรียกการส่วนมวลทำวัดนี่แหละคือสมาธินะเป็นการได้สมาธิสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นตั้งมั่นในการทําสิ่งนั้นทำแล้วมีความสุขทาําแล้วมีปิติทําแล้วเรียก ว, ว่ามีความสงบอ ย, อยู่ในนั้นนี่แหละเรียก ว, ว่าจิตที่มีสมาธิทําอะไรก็ได้นะทำแล้วมีความสุขเป็นสมาธิตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้จะต้องแยกว่าบางทีทําอะไรก็ได้บางทีมันไปทําภายนอกตรง น, นี้นะทําภายนอก แล้วมีความสุข ก, ก็มีแต่การที่มีสมาธิที่ฝึกเนื่ อ, องด้วยการมีสตินะมันเป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นการทำหรือว่าเป็นการรู้หรือการดูเนื่องด้วยกายเนืองด้วยใจเท่านั้นนะ่ะถ้าเป็นการรู้หรือว่าดูเรื่องภายนอกน่ะเป็นเรียกว่าทั้ภาษาพระเรียกว่ามิจฉาสมาธิเนาะเข้าไปรู้สิ่งภายนอกนะเข้าไปเห็นสิ่งภายนอกนะมันไม่ประกอบด้วยสติแล้วประกอบด้วยปัญญา แต่ถ้าเป็นรู้สิ่งภายในจิตใจเจรจอกับสิ่งภายในเนี่ยมันประกอบด้วยสติและปัญญาได้นะเหมือนกับบางคนก็จะอาจจะสงสัยบางทีมีนักปฏิบัติทำคาถามบางทีการฝึกสติบางทีการมีสติในการทําความผิดก็ได้นะเช่นบางทีบางคนเคยมีนะักมีนักศึกษาเด็กที่เคยมาอบรมเนี่ยมาอบรมแล้วพนี้มาพอออกจากอบรมที่วัดนะ เขาก็กลับไปอยู่ที่วิทยาลัยที่เขาเรียนเอิร์นมีครูที่พาวอลอมก็จับได้นะรอบหลังคือเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเด็กที่มาอบรมปีที่แล้วเนี่ยมันไปตั้งโรงกินเหล้ากันตั้งโรงกินเหล้าพอครูไปเห็นอเด็กมันก็บอกว่าเนี่ยผมก็ได้กินเหล้าอย่างมีส ต, ติรู้สึกในการดื่มเหล้ารู้สึกในเนี่ยตั้งแต่ยกแก้วขึ้นก็รู้สึกนะอ่า ทานเข้าไปก็รู้สึกกินเข้าไปก็รู้สึกมันก็อ้างไปแบบตามความคิดขนะองมันะเด็กมันก็แต่จริงมันประกอบด้วยความรู้สึกตัวจริงหรือเปล่ามานจะรู้สึกในการยกรู้สึกในการกินแต่มไม่รู้เลยว่าใจานนะมันมีความหลงในการปรุงแตนะ่งเพราะว่ามันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันกินก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของมันเองเนะี่ย มันเป็นเพอาะอ้างกันนั้นบางทีหรือบางคนบอกว่าเนี่ยบางคนเป็นมือปืนมีสมาธิดีนะถ้าสมาธิไมดีเลงไม่ถูกเป้าเลงไม่ถูกเป้าขณะที่เหนียวไก่ก็ต้องรู้สึกตัวสิในขณะที่ทําเช่นนั้นถามว่าใช่ไหมเป็นสติไหมเป็นสมาธิไหมเป็นนะเป็นสติเป็นสมาธิแต่เป็นมิจฉาเป็นวิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาสติก็เป็นสมาธิ หรือว่าเป็นสติในการเนื่องด้วยการทําร้ายคนอื่นมีจิตใจที่มีประกอบด้วยกุศลนะแล้วก็กระทําสิ่งที่เป็นการจัดจอ่อสิ่งภายนอกในะการจ้องบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการยิงนะมีการเล็งนะก็เป็นการเรียกว่าคุ่งเป้าออกไปข้างนอกเท่านั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องพยยิจารณาดีบางทีสติสมาธิเนี่ยมันก็ต้องเนื่องด้วยการรู้กายรู้ใจของเรานี่แหละนะไม่ใช่เนื่องด้วยการรู้กายรู้ใจคนอื่น แต่ถ้าเนื่องดจากการรู้ตายรู้ใจคนอื่นหรือวัตถุอื่นก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนสะท้อนกระจกที่มันจะสะท้อนกลับมาดูตัวเองให้ได้เหมือนกันนะบางทีเราก็อาจจะไปรู้สิ่งภายนอกรู้คนอื่นรู้การกระทำคนอื่นรู้ใจคนอื่นหรือรู้อะไรก็แล้วแต่แต่มถ้ามันเป็นการสะท้อนเพื่อกลับมารู้ตัวเองกลับมารู้ตัวเองกลับมาตระหนักว่าใจเรารู้สึกอย่างไรกายเรารู้สึกอย่างไรในตอนนั้นมันเป็นการตระหนักกลับมาเป็น เป็นดีเอฟเซกับมาก็ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเนการกลับมาแต่หนักรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรในการกระทามตอนนี้ถึงจะประกอบด้วยที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสสมาสตินะเมื่อมีสัมมาสมาธิมีสมาสติมันก็จะปรกอบมันจะเกิดเป็นสมาธิสติคือมีปัญญามีปัญญาในการเห็นความจริงว่าอ๋อสมาธิสติคือไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะสมาธิสติคือการแค่เห็นว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ แล้วก็วิธีการดับทุกเป็นอย่างไรแล้วก็ทําการดับทุกนั้นเนี่ยมาเห็นว่าว่ากายว่าใจนี้มันเป็นตัวทุกนะถ้าไม่ไม่มีกายไม่มีใจมันก็ไม่มีการก็ไปยึดกายยึดใจนี้มันก็่มไม่มีความทุกข์เลยนะการกลับมาศึกษากายศึกษาใจจริงๆมาดูนี่ว่ามันทุกที่มุมไหนทุกอย่างไรบ้างแล้วก็กลับมาเห็นว่าอ้อไอ้นี่คือตัวทุกมันทุกเพราะอะไรทุกเพเราไปคุม ยึดมั่นถึอมันที่เองถ้าเราตัดการปรุงแต่งตัดการยึดมั่นถึงมันได้ก็มันก็ดับความฟุ้แล้วเนาะเนี่ยกลับมาห็นว่าอะไรถึงเรืองุ้งกลับมารู้ว่าวิธีออกจากฟุ้งเป็นอย่างไรแล้วก็ทําตามสิ่งนั้นเนี่แหละคือสมาธิจิตนะสมาธิจิตถือว่าปัญญาในทางพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องภา่ตัวไม่ใช่เรื่องรู้เรื่องนอกตัวนะเนี่ยขงพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าความรู้ที่พระองค์ท่านตัดก็รู้เนี่ย เป็นปัญญาหรือว่าเป็นสัมมาสัมโพธิญาณของพระเจ้าเนี่มีมากมายมหาศาลแต่จิงที่ท่ทานธรรมะบอก่อนพวกเราเนะี่ยแค่ใบไม้หนึ่งมือเดียวใบไม้หน่กำมือเดียวก็คือท่านสอนเรื่องเรื่องทุกเรื่องสเองาเหตุของความทุกข์เรื่องความสุขโลนจากความทุกข์เรื่องามมการตับทุกขสนั้นในท้ายสุดที่ท่านรู้ท่านเปียบเหมือนใบไม้ในป่บบาแต่จริงที่ท่าธรรมะสอนแค่ใบไม้หนึ่มือเดียว ดังนั้นความรู้หรือว่าปัญญาหนึ่งมีมากหน่ยมหาศาลนั้ น, นมีมากหน่ยมากแต่ความรู้หือว่าปัญญาที่จะดับให้นําไปสู่การดับทุกข์นี่มันไม่ได้มากมา่อยนั้นมันแค่รู้จกากทุกข์แล้วก็ดับจากทุกได้แค่คนี้พอฉังนั้นเราไม่ต้องไปสงสัไม่ต้องไปศึกษาในาหนังใหม่ก็ได้นัไม่ต้องไปศึกษาให้มันรู้กว้างครอบตัวรู้ให้จบว่าใจผีหลบต้องหมด แค่ตับมารู้ตัวเองแค่นี้ก็พอแล้วคือมารู้จักตัวเองแค่นี้เป็นเรียกว่าเป็นการเพียรคอที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้นะการตับมารู้ตายรู้ใจของเราเนี่ยแหละเมื่อมีสติเนี่ยเป็นการเพียรคอลที่จะทําให้ให้เราออกจากความทุกข์ได้มันไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องมากมายธรรมะมีเยอะแยะหลายข้อไม่ต้องไปรู้จบลู้ครบก็ได้นะไม่ต้องไปรู้ก็ได้ว่าเขเรียกว่าอะไร เป็นการปฏิบัติที่รักสั้นที่สุโดยการฝึกมีสตินี่แหละเป็นการ imprint, ปารฏิบัติที่รักสั้นตรงเข้ามากลับมาดูตัวเองกลับรู้ตัวเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่รักสั้นในการที่จะพาตัวเองออกจากความทุกข์หลวงพ่เทียนท่านบอกว่าวิธีการปฏิบัติแบบของท่านเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่รักสั้นติดใจเดียวตรงสู่ความทุกข์คนะือว่าตรงสู่ความดับทุกข์ติดใจเดียวเลยนะ ติดใจในที่นี้ก็คือว่าการรู้เท่าทันจิตของเองรู้เท่าทันในปัจจุบันนี่แหละเ ป, เป็นอติดใจเดียรในการเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ทุกได้เลยนะเนี่ยหลักสําคัญในการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยคื อ, อการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนาะพวกเราพยายามฝึกกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะมาจะหนักรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยกายใจทําอะไรอยู่นะทำเท่าที่ทําได้นะหมายถึงว่ากลับมารู้เท่าที่รู้ได้ เมื่อมันรู้แล้วระวางความรู้นะจ๊ะก็กลับมารู้ที่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นใหม่ปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นเรียกว่าสืบเนื่องต่อเนื่องกันเรื่อยๆนะเหมือนกับห่วงโซ่แต่ละเปาะแต่ละเปาะมันสืบเนื่องมันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันแต่แต่ละเปาะแต่ละเปาะมันก็เป็นคนะเปาะของมันเองนะแต่มันสัมพันธ์กันแบบนั้นเราก็่อเทียนทัานเกียวเนีหมือนกับท่านให้ทาแบบเรียกว่าทําแบบลุ๊กโซ่ทําแบบลุ๊กโซ่ มีสติมีความเชียงต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่นะลูกโซ่ไม่ใช่ทําแบบเด็กเส้นหลวงพ่อเทียนเขาบอกนะเด็กเส้นนี้มันแข็งมันคือมันเรียกว่ามันยาวงไปเลื่อยแต่หลวงพ่อเทียนเาบอกว่าให้มีสติแบบลูกโซ่ให้มันต่อเนื่องเกาะเกี่ยวกันแบบนั้นแต่ก็ให้มันรู้ว่าแต่ละครั้งที่มีสติมันก็เป็นคนลโซ่คนละห่วงกันเป็นคนละจุกคนลตัวกันแต่ให้มันสัมพันธ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีสติต่อเนื่องไปแบบนั้น มันจำพันเป็นลูกโต่นะมันก็เรีว่าสามารถใช้การใช้งานได้ดนะีพวกเราพยายามฝึกกันบางทีหลงไปก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเสียใจอย่าไปโทษตัวเองนะอย่าไปโทษตัวเองเสียไปแล้วหลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ใหม่นะกลับมารู้ใหม่รู้เท่าที่รู้ได้แต่ขอให้ทําบ่อยๆอาศัยความเพียรนะอาศัยความขยันเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าตัวจำพัให้พวกเราไปสูกความมีทุกได้นะอาศัย เรียกว่าอาศัยจิตใจที่แยกทายได้เหมือนก็ดีเหมือนกันนะเช่นบางทีก็คอยสังเกตตัวเองคอยหาเทคนิคหาวิธีการ ต, าตา่างๆทำแบบไหนนอ่เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเมื่อมีความม่วงเกิดขึ้นทำแบบไหนนอ่ถึงจะเรียกว่าออกจากความคิดออกจากความม่วงได้หรือทำแบบไหนนอ่ถึงจะไม่โกรธไม่เรียกว่าไม่ไปโทธความคิดความม่วงเห็นว่ามันเป็นแค่อาการเฉยๆนะเวลเลือกของการวางใจด้วยนะ เป็นเรื่องของการวางใจแล้วก็เป็นเรื่องของการวางกายเข้าไปช่วยได้ก็ได้นะเช่อความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไปวางใจที่จะไปข้อเพียไปซึมเด็กกับเขามันก็ยิ่งง่วงเข้าไปใหญ่นหะรือบางทีเราวางใจไปโกรธไม่พอใจเขาเราก็จะมีความหมงุดหงิดเกิดขึ้นอีกนะวางใจไว้ผิดมันก็ผิดไปเนาะนะแต่วางใจเราต้องวางใจแบบปกติธรรมดาง่วงก็ง่วงไปคิดก็คิดไปจึง เ, เป็นเรื่องของมันนะ ก็แค่เห็นว่าเป็นอาการของที่มันเกิดขึ้นกับกายก็ดีกับใจก็ดีก็แค่เห็นว่าเป็นอาการจิดเสก็ะพอไนี่เป็นการวางใจนะแต่เราก็ากาว e า, กางกายช่วยจะก็ได้นะเช่นง่วงเกิดขึ้นเราก็วางกายช่วยเช่นวางกายให้มันกระชับประเฉิเขึ้นให้มันสดขึ้นขึ้นให้มันกระพี้กระเป่าขึ้นเดินให้มันเร็วขึ้นแรงขึ้นนะวางสายตาให้มันสบายสบาย มองยอดไม้มองท้องฟ้ามองออกไปกว้างๆมันก็ทําให้กายมันสดชื่นขึ้นหรือบางทีมันคิดฟุ้งซ่านมากมันบางทีมันเอิร์ม่อาจจะเกิดจากการที่เราทําแบบเฉลอๆลืมๆไปทําแบบอัตโนมัติเกินไปเราก็เพิ่มความตั้งใจมากขึ้นก็ลองทําให้มันช้าลมตั้งใจมากขึ้นสักหน่อยความฟุ้งซ่านมันก็จะน้นว่าตัวของมันเองบางทีก็อาศัยทั้งการวางใจนะ ที่ยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นการปรับกายให้มันเรียกว่าเข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้นถ้ามันตื่มันง่วงก็ทำให้กระชับกระเขนขึ้นหรือถ้ามันเรียกว่ามันคิดคุ้ม้านมากเกินไปก็จะทําทให้มันขชาลมือหรือว่าเกิดจอมากขึ้นอันนะี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องปรับเนาะปรับตัวในการวางกายและก็วางใจใ น, นสิ่งอันนี้นมันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องนะ เกิดเนื่องกันทั้งนั้นนะก็ก็ฝากไว้ในในชาวมังงะกราบ